Book 2 44ฟีร์เิเอรไปเที่ยวกลางคืนค n t i อทอินดิออนที่นี่มีดิสโกเทกไหมสตอร์ e อ็ดดิสกูติเอ็กที่นี่มีไนท์คลับไหม อสตาร nie นนั p รัตลบที่นี่มีผับไหมอ n n า e t เ i long ก a k นีที่โรงละครมีอะไรวั a a เป i ฟนันต์อันดีเดียร์เตเยนีที่โรงหนังฉายหนังเรื่องอะไร p e e l van aand by die b i o s ส o o p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 ยังมีบัตรดูฟุตบอลเหลืออีกไหมคะสตอ a ์นอคกอร์กิสบิสเก็ตปอร์ฟิร r ดิ e ุกเกอรดิฉันต้องการนั่งข้างหลังเอกวอเอทเซอ i ์ดิฉันต้องการนั่งตรงกลางเอกว์กรอชอเวอร์สอินดีมิร d ลด์เซดิฉันต้องการนั่งข้างหน้า ฉันว่ g กราชยิลฟูร์เซดคุณช่วยแนะนำดิฉันหน่อยได้ไหมการอ e i อท์ออนเบฟ e ลการแสดงเริ่มเมื่อไรวัน n ี e เป็นค n นดิสคัลคุณช่วยซื้อบัตรให้ดิฉันได้ไหมก a n อฟกกไกร แถวนี้มีสนามกอล์ฟไหมอสตนอบแถวนี้มีสนามเทนนิสไหมอนอบแถวนี้มีสระว่ายน้ำในร่มไหมอ